พระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบหกพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่สามทาคกถาปุขละบัญญัติเสียงอ่านโดยประชุมทองสเสวีพระอภิธรรมปิฎกทาคกถาขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอุทเทศหนึ่งนยมาติกาส4สใน 1สังฆโหอสังฆโหสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ 2. สังคหิตเณอสังคหิตดังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้ 3. อสังคหิตเะสังคหิตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ 4. สังคหิตเณสังคหิตดัง สภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้ 5. อสังคะหิตเตนะอสังคหิตตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ 6. สัมปโยโควิปโยโคสภาวธรรมที่สัมพยุตคือประกอบเข้าได้สภาวธรรมที่วิปยุตคือประกอบเข้าไม่ได้ 7. สัมพยุตเตนะวิปยุตตัง สภาวธรรมที่วิปปยุตจากสภาวธรรมที่สัมปยุตแปดวิปปยุตเตนะสัมปยุตตังสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่วิปปยุตเก้สัมปยุตเตนะสัมปยุตตังสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุตสิบวิปปยุตเตนะวิปปยุตตังสภาวธรรมที่วิปปยุตจากสภาวธรรมที่วิปปยุตสิบเสังคหิเตนะ Hmm. ส, สัมปยุตตังวิปยุตตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สัมปยุตและวิปยุตจากขันอาญตนาและธาตุสิสัมปยุตเตนะสังคะหิตตังอสังคหิตตังสภาวธรรมที่สัมปยุตสงเคราะห์เข้าได้และสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนาและธาตุสิอสังคหิตเตนะสัมปยุตตัง วิปปยุตตังสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้สัมปยุตและวิปปยุตจากขันอายตนะและาธาตุต ส, สิวิปปยุตเตนะสังคหิตหตังอาจังขะหิตตังสภาวธรรมที่วิปปยุตยสงเคราะห์เข้าได้และสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและาธาตุสองอภัน ต, ตะระมาติกา22ใน 1. ปัญจขันธาขันห้าสองทวาททายตนานิอายตนาสิบสองสามอัธารสัาตุโยธาสิบแปดสี่จตาริสั จ, จานิสั จ, จสี่ห้าพาวิสตินทริยานิอินสียี่สิบสองหกปฏิจจสมุปปาโทปฏิจจสมุปบาทเจ็ด จตาโรสติปัฏฐานาสติปัฏฐานส 8. จตาโรสมัมปัฏฐานาสมัมปัฏฐานส 9. จตาโรอิทธิปาทาอิทธิบาทสี่สิบจตาริชานานิชานสี่อจตัดโสอัปปมัญญาโย ο, อัปปมัญญาสี่สิปัญจินทริยานิอินรียห้า สิปัญจพลานิภละห 14. สิบสีตโพชังคาโพชงเจ็ดสหอริโยอัถังคิโกมัคโคอริยมัคมีองค์8 16ผัดโโซผัดสะสิเวทนาเวทนา18สัญญาสัญญา19เจตนาเจตนายีสจิตตังจิตยีอ อธิโมกโขอธิโมก 22. มานสิกาโรมานสิกาสนายมุกขมาติกาสใน 1. ตีหิสังขโหสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้โดยสภาวธรรมสามประการ 2. ตีหิอสังขโหสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยสภาวธรรม3ประการ 3. จะตูหิสัมปโยคโค สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนามขันธ์สี่สี่จตุหิวิปโยโคสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนามขันธ์สี่สี่ลักขณะมาติกาสองลักษณะหนึ่งสภาคโคสภาวธรรมที่มีส่วนเสมอกันสองวิสภาคโคสภาวธรรมที่มีส่วนไม่เสมอกันห้าพาหิระมาติกาธรรมสังคณีแม้ทั้งหมด เป็นมาติกาแห่งทาตกถา 1. ปฐมนัมานาย 1. สังคหาสังหะปทานิเทศ 1. ขันเอกมูลกไน 6. รูปขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรรูปขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะ11อและธาตุ1อ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 สังขารขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสังขารขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะ11และธาตุสิบเวิญญาณขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ วิญญาณขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี ing, ie, giving, อ liberty, อ acht, ่อายตนะ1ิและธาตุ1ิเอกมูลกันใยจบทุกกะมูลกันใย11รูปขันและเวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร รูปขันและเวทนาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะ11และธาตุ1ิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะ1และธาตุเจ็ดสิบรูปขันและสัญญาขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะ11และธาตุ1ิบสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะ1และธาตุเจ็ดสิบรูปขันและสังขารขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะ1ิและธาตุสิอสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 3, อายตนะ 1, และธาตุเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสามอายตนะหและธาตุเจ็ดสิบ รูปขันและวิญญาณขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสองอายตนะสและธาตุ8สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสไม่มีอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ทุกกะมูลกะนไหนจบติกะมูลกะนไหนสห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 สงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะ1ิและธาตุสิสงเคราะห no no ์เ ну ข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะ1และธาตุเจ็ดสิบรูปขันเวทนาขันและวิญญาณขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสิและธาตุสิสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไร่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 ไม่มีอาญาตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะส่งเคราะห์เข้าไม่ได้จตุกกะมูลกไนจบปัญจกะมูลกไน20รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสงเคราะห์เข้าได้กับขันอาญาตนะและธาตุเท่าไรรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน